รธรรมเทศนาแทนที่77ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าสรุปลานวันสงกรานต์ปี58 หารหน้าไปทางพระประธานคณะเจ้ทาทาญาตโยมลูกลานเดี๋ยวผู้นําจะอันดับแรกนะวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันมงคลมหามงคลเป็นวันปีใหม่ไทยดังนั้นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเรามาสูวดวาสานาอันดับแรกก็ควรจะไหวพระยอ่อและก็สมาทานศีลเมื่ออมเื่สมาทานศีลเรียบร้อยแล้วหัวหน้าก็จะเป็นผู้พานํา คารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ารัตนตรัยเยปะมาเทนะคือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพุทธเถระมาเถนะก็ได้ธรมเมะมาเถนะสังเขปะมาเถนะก็ได้ละวัรัตะเยนะขตังตับพังอัปปลาทางคาเมทะเมพันเตมัทโนพันเตอันนี้คือเรากราบคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะพวกเราบางทั้งก็ได้ประมาทพลาดพลั้งโดยไม่เจตนา เ, เพราะว่าบางทีก็ถึงเห็นเขาว่ า, า, ว า, วาก็ว่าไปหลวมปากก็ว่าไปบางทีอาจจะพลาดพลั้งพลาดเผลอในผู้มีพ ร, ระคุณเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราควรจะมีการคารวะสักครั้งหนึ่งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็หานหน้าระทางหลวงพ่อจะว่าอาจารย์ฤาษีประมาเทนะก็ได้จากนั้นก่อ หลวงพ่อจะให้ศีลให้พรเมื่อให้ศีลให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะได้กล่าวปาราลบกับลูกกับหลานพร อ, อยู่ในท้องถิ่นของพวกเราลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมมีอะไรหลวงพ่อจะได้กล่าวมฆะกล่าวเสร็จเรียบร้อยก็หลวงพ่อจะให้หใหตัวแทนของพวกเราคือไม่มีไม่ใช่ทุกคนนะตัวแทนของพวกเราก็คือท่านนายอำเภออำเภอนายยง แล้ก็ท่านสสสุรชาติท่านผู้กํากับและก็ท่านนายอดีตนายอำเภอที่ท่านเคยอยู่อําเภอไหโยงของเราท่านไปอยู่โนนสะอาดเป็นท่านายอำเภอและก็สอจอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสอจอบนเรือแล้วก็ตัวแทนโยมวัดก็ ค, คือโยมฉลาดลานมันขวัญเมืองเป็นตัวแทนหท่านมาส่งน้ํา หลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อก็จะให้สินให้พรเมื่อให้สินให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะมีของขวัญแจกอย่างทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ลุงรู้สึกว่าหลวงพ่อลงไปกรุงเทพที่คราวที่แล้วเนี่ยนะหลวงพ่อได้ไปจังหวัดชนบุรีท่านองค์ขมลเรที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงปูฟั่นหลวงปูขาวลูกถุงล่นเก่านะท่านบอกว่าพระเครื่องของท่านเนี่ย ที่เขาทํามายังมีอยู่ท่านอาจารย์จะเอาไหมหลวงพอ่อเออเอาเอาเก็เอพอดีมาถือมาคราวนี้ก็มาแจกจะเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกสําหรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับพวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือของขวัญปีนี้ก็คือของขวัญได้มาจากนู่นน่ะได้มาเมื่อวานเออมาจากชนบุรีที่ท่านมอบหมายให้ แต่หลวงพ่ออ่านไม่ออกมันตัวเล็กเลยเกินพอโสพศเท่าไหร่มาหลายปีเหมือนกันนะเอวันนั้นผู้ใดยังไม่ได้ของอย่าพึงไปนะถ้าไปแล้วมาอีกหมดนะแจกแล้วแจกหมดแล้วก็หมดเลยล่ะอแต่หลวงพ่อไม่ได้ทําเหรียญ น, นะคณะสัทยาธิวงพระลูกหลานไม่ได้ทําเหรียญแต่หลวงพ่อก็ได้ไม่ได้อมองข้ามหรือไม่ได้ประมาทว่าเหรียญนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ถึงขนาดไม่ได้ว่ายอย่างนั้น เกิดระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามีพระอยู่ติดตัวมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ระลึกถึงพระระลึกถึงคุณของพระก็อุ่นอกอุ่นใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเอาต่อเนื่องไปก็ผู้พานำไหว้พระสมาทานสิ่นสาธุมยังพันแตวิสุงวิสุงลักนาทายา วันนี้นับว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันมงคลมหามามงคลเป็นวันปีใหม่ไทยพวกเราทำพิธีมุดน้ำดำหัวที่มาวัดจูวัดหลวงพ่อคิดว่าถือว่าเป็นสมณะพรามในหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่าทิศ ท, ทั้งหก ทิ์ทั้งหกก็คือเนี่ยคือสมณะพรามก็คือวันนี้แหละที่มาหาหลวงพ่อรเป็นผู้อบอกกล่าวเรื่องทำคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษ า, เ, าเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลขอให้ขอให้ลูกหลานทั้งหลายนะถึงจะรักษาสินในชั่ว เ, เล็กน้อยชั่วน้อยนึงก็เป็นสินอ่ เป็นการสํารวมกายวาจาของพวกเราเพราะฉะนั้นมาสู่วัดวาศาสนาเขาควรจะทําพิธีให้กับลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังจะได้ศึกษาเรียนรู้ให้พวกผู้ใหญ่พาดําเนินพาทำอย่างไร ล, ลูกหลานก็จะถือเป็นตัวอย่างแล้วตัวอย่างที่ดีนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานต่อไปภายภาคหน้า เพราะนั้นถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกลูกหลานอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิโสทาเยสาทุต่อไปเราพร้อมกันคารวะหลวงพ่อนะครับอาจาริลเยปะมาเท น, นะนะ นาโมอาตสาภะขวัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอาตสาภะขวัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอาตสาภะ a วัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาจาริเยปมาเทนาทาวารตเยนกตังสาบพังขปมาทางขมาตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนาทวารตเยนกตังสาบพังอปลาทางขมาตุโนพันเต อาจาริเยปมามเทนาทาวารตเยนากาตังสาพังอปลาทางขมามตุโนพันเต ย, ยกขันดอกไม้ขึ้นไปถวายหลวงพ่อครับปนมมือไม่ต้องไม่ต้องหมอบก็ได้นะปนมมือเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำความเข้าใจในการกราบคารวะสะกอดนะ เมื่อกี้นี่พวกคณะผู้นําและคณะสัตายาญาติโยงกล่าวคําถวายอาจารยลเยประมาเทนะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพั้งท่านพระอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจความแปลหรือความหมายในพระบาลีที่เรากล่าวถึงสามครั้งได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอท่านอาจารย์ปโปรดอโหสิกรรมให้ พวกกระผมด้วยพวกผมจะได้สำรวมระวังต่อไปอันนี้คือหลักธรรมคำสอน <c oughs> ในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านว่าการอยู่ด้วยกันบางทีเราก็ได้ไปกราบคาวะพ่อแม่ของเราด้วยบางทีเราก็ได้ไปกราบที่ที่เข่าของท่านที่ตักของท่านเราก็ได้กราว ได้พ่อแม่ได้ผมได้ประมาทพลาดพังทําอะไรไม่ถูกต้องแต่สมัยเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันถ้าหากว่าพ่อแม่ขาดข้องเครื่องเครื่องใจยอยู่โปรดโอโหสีให้กระผมด้วยให้ดิฉันด้วยจะได้สํารวมระวังอันนี้ก็คือการไปมุดน้ําดําหัวผู้สูงอายุหรือว่าผู้ปกครองอย่างที่ว่าท่านในอำเภอเป็นผู้ปกครองลูกน้องหรือผู้กํากับ หรือว่าพอออเคตอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่พวกเราที่เข้าไปกับคารวะมุดน้ํตดาหัวก็จะได้พูดในลักษณะนี้ผู้ใหญ่ก็ให้สินให้พรว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทาพลาดพังข้าพเจ้าหรือผมหรือฉันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เรายังอาตมาเนี่ยอาตมายินดีให้อโหสิให้กับพวกคณะทาญาิโยมทั้งหลายทุกทุกท่านเราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวั น, นะสุขภาระลาภยศสรรเสริญสุขให้เจริญยิ่งทั้งคดีโลกและคดีธรรมคือให้ศินให้พร เ, เพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายบางทีบางครั้ง ใจิตใจของเราบางทีมันไม่อยากประมาทแต่ว่ามันเหมือนกับมันถลําไปหรือว่ามันลักษณะมันไปก่อนก่อนความคิดเรี่ว่าจิตใต้วิญญาณคล้ายๆว่ามันนึกความนึกคิดตัวนี้เนเะ่ยมันไปก่อนที่เราจะจะห้ามปรามมันอยู่หลวงพ่อเลยตั้งว่าจิตใจประเภทนี้หรือว่าประเภทหมาบ้าคล้ายๆว่าเราไม่อยากจะะไม่ไม่อยากจะคิด แต่มันถล่มออกไปก่อนออมันมีได้ยินหลายๆคนที่เข้ามาหาหลวงพ่อนะวันนั้นหลวงพ่อวันน่ะจิตประเภทอย่างนี้แหละประเภทที่ว่าประมาทครูบาอาจารย์ประมาทดาไปหมดไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มองตัวเองเออจิตจิตใจที่ไม่มองตัวเองเออจิตต้องเห็นคนและประมาทไปหมดแล้วตัวเองเป็นยังไงไม่มองตนเองเพราะจิตใจหลงตนเอง จิตตัวนี้จิตใต้สำนึกตัวนี้มั น, มนหลงตนเองมันลืมตนเอง ม, มันคิดไปได้เพราะฉะนั้นจิตประเภทอย่างนี้ละ่ะบางทีบางคนพวกเราบางครั้งาอาจจะถลําไปมีส่วนเหมือนกันถึงจะไม่มากก็มีส่วนเพราะนั้นจิตประเภทอย่างนี้ใจประเภทอย่างนี้เป็นมโนกรรมคือการกระทำทางคิดทางใจไปในทางที่ไม่เป็นธรรมไปในทางที่ไม่ถูกต้องเรียกว่ามโนกรรม เพราะนั้นขอให้พวกเราจรึงได้ไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นรันตนนตเยะปมาเทนะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวไปจบลงสักครู่นี้จากนันก็ได้มาอาจาริเยะปมาเทนะได้มากราบคารวะหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ยินดีโอโหสิให้กับพวกเราคณะทตา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกๆคนได้ประม า, าทพลาดพัง้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ หลวงพ่อยินดีอโหสิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็เหมือนกันได้ประมาทพลาดพลั้งและคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องกับคณะสัตยาติโยมพวกเราก็ควรจะอโหสิให้ซึ่งกันและกัน อ, อย่าไปถือโทษโกรธเคืองยินดีอโหสิถ้าว่าพวกเราให้อภัยซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันถึงจะมากไม้ขนาดไหน ก็มีแต่ความร่อบเย็นผาสุกเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเรายัางจองเวรกันอยู่คือไม่ให้อภัยกันคือการจองเวรไม่ใช่อื่นไกลการผิดนิดๆหน่อยๆก็ไม่ไม่ให้อภัยกันไม่เอาหัวซีให้กันเแปลวัตถุถือโทษโกรธ เ, เคืองอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเวรจะไม่ระ ง, งับเพราะเหตุใดเพราะว่าเรายัางจองเวรกันอยู่ เพรานั้นเมื่อจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ระงับถาว่าพวกเราจรินดีให้อภัยพอทำแล้วก็แล้วไปจบไปให้โอ้โหสซิซึ่งกันละกันอันนี้แหละ เ, เวรทั้งหลายจะระงับเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราควรจะให้อ้โหสิกซึ่งกันละกัน อ, อย่างหลวงพ่อเนียินดีเอาให้โอโหสิกับพวกเราพคณะทา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าคิดประมาทบ่อยท่ตนเองนะ เหมือนกับแผลเนี่ยฟันแล้วฟันอีกย้ำแล้วย้ำอีกใส่ในหัวใจของตนเองแผลตัวเองก็เป็นเป็นแผลไม่รู้จักจบเป็นแผลเป็นอยู่ตลอดเต็มไปหมดอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันเพอเมื่อเราประมาทแล้วคราวนี้แหะต่อไปแล้วก็ส้ำรวมระวังเราจะไม่คิดอีกในเรื่องนั้นพอเราคิดแล้วเห็นโทษมันไม่ดีแล้วเราจะไปคิดอะไรให้ไปอีกเพราะนั้น ทุกคนก็ต้องให้สำรวมระวังไม่ได้ไม่ใช่ว่าพิษอย่างซ้ำซากอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่ปาดถ้าผิดอย่างซ้ำซักหรือว่าพาละชนเหมือนกั น, นะกีเลิาละชนถ้าว่าผิดครั้งหนึ่งแล้วก็สำรวมระวังต่อไปจัดว่าเป็นปาดเพราะเห็นโทษแล้วก็หยุดในการคิดในเรื่องนั้นๆเพราะการกระทำในหลักของพระพุทธศาสนาเน่ยมั่นโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมีสาทาง เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทาพลาดพ้งหลวงพอ่อหงพ่อยินดี่อังโหสิทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอะหังขมามิตุมเหหิปีเมขมามิตับังขมามะพันเตเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปัสซาโซนปมัชสติโซมังโลกังปพาเซติอภามุตโตวัจันทิมา อภิวาทนาสีลิสนิตยังบุตธาปายิโนจัตตารุธรรมวทานติอายุวันโนสุขังพาลังสาธุสาธุสาธุาธเอาต่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้ตอนรับคณะสัทธายาตโจมจะไม่นาน และยังค่อยทําพิธีส่งน้งนะําหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะให้ส่งน้ํามุดน้ําดําหัวตามประเพณีวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งทางหัวหน้าส่วนราชการมีท่านนายอำเภออําเภอนายูงเป็นประธานแล้วก็ท่านผู้กํากับท่านรองท่านปรัชอาวุโสแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหลวงพ่อไม่สามารถที่จะ สักไซไลเลียงได้มีทั้งอำเภอนายยงทั้งต่างอำเภอแล้วก็ามาอาจจะเป็นต่างจังหวัดด้วยก็ได้ที่มาเข้ามากาพรวะในวันนี้วันนี้เป็นวันที่ 10, สิบเมษายนพุทธศักราช2005 158แแต่ทำไมพวกเราจึงมาทำก่อนเพราะว่ า, าพวกเรา ต่างก็อยู่บ้านถิ่นไกลไม่ได้อยู่ที่อำเภอนายงในเมื่อตวนวันแล้วพวกเราอาจจะไม่ได้มาอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงทําก่อนทําก่อนวันที่13เมษายน เ, เข้ามาทําพิธีในท้องถิน่นท้องที่มุดน้ําดําหัวผู้สูงอายุแล้วก็มุดน้ําดําหัวท่านนายอำเภอเพ่อสวนโดยมากท่านนายอำเภอท่านผู้กํากับ ถึงจะปิดยังไงท่านก็คงจะไปไปมามาอยู่ที่อำเภอนายูงเพราะท่านดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจะต้องสอบสอบอย่างน้อยถึงจะไปที่ไหนข้าทางเกะมีหูมีตาของท่านตัวแทนของท่านคอยฟังสารถูกสุกดิบของพี่น้องประชาชนเพราะว่าสงกรานพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเดินถนนหนทางกระทำให้การาค่มมานาคมเลยวะถนนหนทางของเราอาจจะมีประสบเหตุอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินแต่ละปีแต่ละปีก็าประ ก, กาศแล้วประ ก, กาศอีกว่าปีนี้จะต้องให้ลดไม่ให้คนตายอย่างที่ทุกปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ลดมากค่าบัตรสูงสีกใกล้เคียงกันปีเดียวก็เป็นร้อยร้อยร้อยคนเหมือนกันเก็บเป็นพันๆแต่หลวงพ่อเองได้ยินแล้วก็อยากจะฝากกับลูกกับหลานที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยนะถึงจะฝากคนอื่นไม่ได้นะมันอยู่ไกลนะก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมที่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย บอกกล่าวลูกหลานของพวกเราอย่าให้คึกขนองจนเกินไปเวลาจะทานอาหารตอนค่ำทา ม, มีพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยลงพ่อวันเนี่ยพ่อแม่น่าจะบอกกล่าวตื่นลูกเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยให้ระมัดระวังเน้อสงกรานปีนี้เพราะปีที่ผ่านมานะะ่ยกะได้ยินข่าวกันทุกหัวไหลแห่งแต่ถึงยังไงอยากให้มันมาถูกกับครอบครัวของเรา ถ้าหากว่าถูกกั บ, บครอบครัวของเราพวกเราก็จะเทือนใจนะอะแล้วก็พร้อมกันถ้าหากว่าขาหักแขนหักหัวน็อกเพิร์อหัวล่างข้างแตกเข้ามาแล้วไปนอนโรงพยาบาลยางก็ราคาถูกๆซะอีกต่างหากแล้วจะเราจะเอาอะไรไปดูแลรักษากันล่ะเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างระวังไว้กว็ดีนะลูกๆห ล, ลานๆเนะ้อพ่อแม่ก็น่าจะว่ากล่าวตักเตือน ลูกหลานของเราอย่าให้เล่นอะไรจนเกินไปถ้าหากว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก็อย่างที่มันทางที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะไปนอนโรงพยาบาลหัวล้างข้างแต่ขาหักแขนหักแล้วก็ลูกหลานก็สอนให้เขาด้วยว่าเมื่อขาหักแขนหักแล้วมันต่อยากนะถึงจะต่อก็เถอะก็เป็นยังเป็นคนคิปพิการพิการตลอดชาติแล้วก็พร้อมกันท้หัวนกเพื้น ฟิ้นขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นโตโ ต, ตเต๋่บ้าบ้าบ้องบองบ้าบ้าบไม่ปกติเพราะนั้นลูกหลานคิดดูให้ดีนะลูกๆนะอันนี้ก็พ่อแม่ทั้งหลายก็ควรจะว่าเก่าแนะนำสั่งสอนลูกๆของตนก็พร้อมกันพ่อแม่นเนี่อเมื่อไม่ใช่จะสอนแต่ลูกเท่านั้นนะอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูนะี่ะแหละไม่ว่าทุกระดับอย่างหลวงพ่อเหมือนกัน ถ้าหลวงพ่อน่ยอยากจะให้ลูกศิษย์ดีลูกหลวงพ่อก็จะต้องทํำดีให้ลูกศิษย์ดูครับท่านนายอำเภอก็เหมือนกันนะถ้าอยากจะให้ลูกน้องดีท่านนายอำเภอก็ต้องทําดีให้ลูกน้องดูไม่ว่าทุกหน่วยงานนั่นแหละถ้าอยากจะให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนดีเราพวกเราทั้งทั้งหลายที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องทําดีให้เขาเหล่านั้นดูพ่อแม่ก็เหมือนกันนั่นะ อยากจะให้ลูกหลานดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานดูไม่ใช่ว่าพ่อแม่กินเหล้าเมายากลั บ, ไ ม, มบไม่กลับไม่กลับมาถึงบ้านแล้วจะทำยังไงลูกหลานของเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านแล้วก็พร้อมกันในเทศกาลอย่างนี้ถ้าไปเราก็กควรจะไปกราบคารวะพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราอยู่ใน แห่งหนตำบลใดที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากนะถ้ามันอยู่ไกลกวให้ผลสงการซะก่อนเราก็ยังไปก็ยังได้นะในเทศกาลปีหนึ่งพวกเราควรจะไปกราบคารวะพ่อแม่ของเราเผอเพยังรวมญาติกันอีกก็ได้ในช่วงที่มันอยู่ใกล้กันกันเออรวมญาติกันมาปรึกษาปารบกันพ่อแม่ของเราอายุมากอายุแก่แล้วนะพวกเราใครจะเป็นคนดูแรลรักษา แล้วก็เราควรจะส่งเงินมาให้พ่อให้แม่ดูแลพ่อแม่เดือนละเท่าไหร่ผู้มีมากก็ส่งให้มากผู้มีน้อยก็ส่งให้น้อยแต่ถึงยังไงก็ควรจะส่งให้ไม่ควรจะมอบให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวอาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้เพราะนั้นเสียงเหล่านี้ลูกทุกคนคือเป็นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนเพราะเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเ่เราจะมอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้รับภาระคนเดียวไม่น่าจะถูกต้องนะพวกเราต้องคิดดูให้ดีหลวงพ่อเคยอยู่ในสถานะอย่างนี้แหละเป็นหลวงปู่หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อได้ยินมาทุกหัวละแหงทุกคู่คนที่หลวงพ่ออยู่ในสถานะอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อได้ยินแล้วหลวงพ่อก็พยายามรวบรวมหรือว่าพยายามนาแนวความคิดเหล่านั้น มาบอกกล่าวให้กับคณะสถาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนในเมื่อพวกเราเ อ, อ, อยู่ในสถานะลูกพวกเราก็รวมกันจากนั้นก็เข้าไปหาพ่อแม่เป็นไงพ่อแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่เราก็รู้อยู่แล้วสุขภาพเป็นยังไงไปหาหมอไหมไปตรวจฟันไหมไปตรวจตาไหมหูไหมเป็นยังไงเพราะคนแก่ก็ต้องตาหู อ, อ, อวัยวะ ที่มันเสียง่ายถ้ามีอะไรก็รวบรวมกันไปหาหมอดูไปหาไปตรวจดูลักษาฟันลักษาตาลักษาหูลักษาสิ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยนีะ อ, อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาทุกคนแล้วก็ชีวิตประจาวันของพ่อแม่อีกเราควรจะให้พ่อแม่เดือนละเท่าไหร่ที่เขาไปทำงานเราใช้เองเรายัางใช้ได้ แต่พอมีมาเราก็ให้เดือนพ่อแม่เดือนนะ่าร้อยสองเพื่อให้ท่านได้ใช้หลวงพ่อว่าจะก็จะดีนะพวกเราไม่ลืมพระคุณแต่เสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยนะมันเป็นแนวทางนะมันเป็นกรรมนะกรรมคือการกระทําของตนเองนะคณะทาญาทโยมลูกหลานในเมื่อเราทํากับพ่อกับแม่ใส่ใจกับพ่อกับแม่ลูกของเราคนมองเรานั่นแหละเออสมัย เราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยทิ้งปู่ย่าตายายนะทางแม่ก็ไปดูตากระยายทางพ่อก็ไปดูปูก่กรย่าพวกเราเป็นลูกของท่านเมื่อพ่อแม่ของเราแก่เท่าชราพวกเราโกควรจะไปดูพ่อขอบแม่ของเรานะเพราะพ่อแม่ของเราเป็นตัวอย่างนี่แหละถ้าว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกโลกก็จะต้องดูตัวอย่าง ที่พ่อแม่พาดําเนินพาธรรมาอย่างนั้นเมื่อเราเท่าแกชราเราไม่ต้องขอเขาล็กอกไม่ต้องขอให้เขามาดูเราล็กอกเขารู้เองเพราะเหตุไรเพราะเราทําตัวอย่างให้เขาให้เขาเห็นแล้วให้เขาดูแล้วนี่แหละอันนี้ก็ฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกๆห ล, ลานๆเพราะเด็กอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ได้ยินนะได้ยิน ลูกหลานการบริหารจัดการ เ, าเด็กของเรารู้สึกว่าโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเด็กนักเรียนเนอะเป็นเด็กหนุ่มเด็กน้อยนะเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปกําลังคึกขนองเอท่านในอำเภอก็อยู่ที่นี่ผู้กํากับก็อยู่ที่นี่สมัยก่อนเออในที่นีแบบ้แต่ละหมู่บ้านไปไล่ตีกันเนี่ยหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็ยังพู ด, ก, พดกับผู้กากับเอ้ย เอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมาบอกให้ทานบนสิถ้าว่าเขาต่อยตีกันก็นั่นน่ะผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบกำนันต้องรับผิดชอบด้วยกันนะั้นมันจึงจะถูกลงพ่อว่านะแต่จะให้แต่ทางอำเภอตำรวจดูแลมันไม่ไหวนะเพราะนั้นผู้ใหญ่บ้านลูกหลานของผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องช่วยช่วยกันดูเพราะนั้นความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านในท้องถิ่นของเราก็ช่วยช่วยกันดูนะ เนี่ยหลวงพ่อในฐานะที่ว่าสมณพราหมณ์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นนะสมณพราหมณ์ทิศทั้งหกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์หลวงพ่อในจัดว่าเป็นสมณพราหมณ์ในท้องถิ่นเพราะนั้น หลวงพ่อมองเห็นสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์จะราบรื่นเรียบร้อยสวยงามในชุมชนสังคมหลวงพ่อก็จะได้บอกกล่าวแนะนาสั่งสอนให้ลูกหลานเนิ่ให้ใช้ประหยัดเนจะ ใ, ใช้ช่ยลุ่วยล่ในช่วงนี้ยางของเราก็ราคามันถูกแต่ทำยังไงได้บ้านเมืองมันเป็นยุคเป็นสมัยเราจะให้ได้อย่างใจเราก็ไม่ได้เมื่อมีน้อยเราก็ต้องใช้น้อย จะทำจะใช้มากก็ไม่ได้มันเดือดร้อนเพราะนั้นเราต้องพยายามเมื่อมันมีมากซะก่อนเราจังค่อยใช้มากต่อภายหลังแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันมีน้อยเราก็ต้องพยายามใช้ด้วยความประหยัด เ, เก็บหอมรอมลิฟไวสิ่งจำเป็นเราจึงใช้แล้วกัการงานของเราก็ทำให้มากขึ้นนี่แหละอันนี้ก็คือสมณพราหมณ์อย่างหลวงพ่อจะแนะนานสั่งสอนลูกหลานจะเราจะทำยังไงล่ะ ถ้ามันดีกว่านี้มีไหมเออคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเออไม่ใช่ว่าปุปปับมาไม่มีเงินแล้วจะขายยาบ้ายามาอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถ้าขายเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงขายให้คนอื่นใช่คนอื่นกินลูกหลานเขากินเออเราก็ได้เงินแต่เมื่อลูกหลานของเราละ่ะคนในครอบครัวของเราติดยาบ้ายามาละ่ะเราพอใจไหมเราดีใจไหมเรามีความรู้สึกยังไงในจุดนั้น เราก็เสียใจเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่มันไม่ดีให้กับผู้อื่นถ้าสิ่งไม่ดีกลับมาสู่ในสู่ตระกูลหรือสู่ครอบครัวของเราเราก็จะเดือดร้อนเหมือนกันนะ เ, เพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีพวกเราอยู่ด้วยกันจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกน่ลูกหลานคณะสัตธาญาติโยม แต่หลวงพ่อเองหอวงพ่อก็ได้ยินนะได้ยินส่วนหนึ่งว่าเนี่ยเวลามีการมีงานถ้ามีหมอลำซิ่งเข้ามาแล้วนะโดยมากเด็กทั้งหลายไม่ว่าเด็กหญิงเด็กชายไปเต้นไปกระโดดโลดเต้นนึถกถตีกันหัวล้างข้างแตกทำไมคนเมืองไทยเด็กเหมือนเหมือนกันทำไมทำอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเออันนี้มันต้อง คนกลุ่มเดียวรักษาคงไปได้แล้วจะให้ตำรวจรักษาคงไปได้มันต้องเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็เอาครูโรงเรียนด้วยไม่ใช่เอาแต่คนอื่นนะครูนะครูโรงเรียนเนี่ยท่านพอออกเขตให้ก็นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่หลวงพ่อบอกเลยว่าน่าจะเอาครูโรงเรียนให้พอออกบอกครูโรงเรียนสมมว่าสมมติว่า มีหมอลําซิ่งอยู่ที่งานหลวงปู่เครื่องใช่ไหมท่านผ อ, อ, อเขตเนี่น่าจะทั้งเขตแต่มันเขตทวารมันเขตมัธยมเขตประถมนะแต่ตามควาจริงเขตมัธยมหรือเขตประถมน่าจะสั่งผออ อ, อครูโรงเรียนมาสักสามสี่ห้าคนนะมานั่งอยู่ที่หน้าเวทีนะ เ, เพื่อเพื่อดูผลงานของตอนเองว่าเราสอนเด็กนักเรียนของเราเนี่ย ม, มีมีมารยาทยังไง มีความส้ำรวมระวังอย่างไรมีกิริยาอากับกิริยาอย่างไรนะครูจะได้สอนนะมิอันนี้ไม่ชูคหายเงียไปมีแต่นักนักเรียนลูกศิษย์ของตัวเองกระโดดโลดเต้นะหลวงพ่อวันนะ่า <c oughs> น่าจะให้ครูบาอาจารย์นะเ่แต่ละโรงเรียนมานั่งมานั่งดูนะมานั่งดูผลงานที่ว่าเราได้สอนจริยธรรมให้กับนักเรียนนะ เ, เป็นยงง อ, อย่างไรอย่างหลวงพ่อนี่นะ หลวงพ่อเนี่ยเวลามาแล้วหลวงพ่อก็นั่งดูลูกศิษย์หลวงพ่อนะถ้าหากว่าองค์ไหนเป็นยังไงหลวงพ่อมองมองดูนะเขาก็จะได้เกรงใจเพราะฉนั้นอยากจะให้คนอื่นมามันก็ไม่เกรงใจเพราะเหตุไรเพราะไม่ใช่ผู้ปกครองของเขาะจะให้ตำรวจก็ดูแต่เขาก็กลัวในระดับถึงเส้น ถ, ถ, ถ้าเป็นครูโรงเรียนหลวงพ่อว่าจะดีกว่านะขอฝากไว้กับชุมชนสังคมว่าฝากไว้กับท่านนายอำเภอฝากไว้กับให้พอออกเขต ทุกทุกท่านด้วยว่าเนี่ยหลวงพ่อว่าน่าจะดีนะ เ, เวลามีการมีงานมาเนี่ยกันนะให้ครูบาอาจารย์มานั่งดู น, งนั่งดูเด็กนักเรียนของเราว่ามันคงจะเน่นะพวกเด็ก น, นักนักเรียนน่ยถ้าให้เว้นเขตครูโรงเรียนเข้าไปแล้วมั่ก็เด็กนักเรียนคงจะระวังระวังอายอายบ้างคงจะไม่ ทำอะไรออกนอกลูกนอกทางจนเกินไปหลงพ่อว่านะแต่ถ้าหากว่าพวกเราทิ้งว่าเอา้าเป็นหน้าที่ทางบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ตามไม่จริงเด็กนักเรียนเหล่านั้นเป็นลูกหลานเป็นทรัพยากรของพวกเราเป็นทรัพยากรของพวกเราทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ใช่ของครูทีเดียวแต่ว่าควรครนะูเรามอบมอบให้ครูโรงเรียนมากกว่ามากกว่าคนอื่นเพราะว่ า, าตั้งแต่เช้า8 0ดโมง จนถึงบ่าย 3- ามสี่โมงให้อยู่กับโรงเรียนทั้งนั้นโรงเรียนเป็นผู้มีหน้าที่สอนเด็กนักเรียนสอนลูกสอนหลานของพวกเรามากกว่าใครอื่นเพราะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อว่าน่าจะเอาครูบาอาจารย์นั่นนะมานั่งเป็นสักขีพยานนั่ง ด, ดูด้วยกันหลวงพ่อว่าเป็นคงจะมีวิธีการแก้ไขอย่างหนึง่ง วิธีการแก้อีกอย่างหนึ่งกำมังนะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้แต่พร้อมกันขอขอให้พวกขันธ์ทายาิโยมลูกหลานทุกๆกคนนะอ ย, อย่าลืมหลงละาเลงจนเกินไปเรื่องดื่ม เ, เรื่องสินห้าเนี่ยนะอย่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชผู้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชนะท่านได้บอกเอามาไวนะ้ทำบอกว่าอ ย, อย่าคิด ให้มีศีลห้าอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันเราจะมีจะเราพวกเราจะหาความสงบสุขได้อย่างไรเพราะคนนี้ฆ่าคนนั้นคนนั้นฆ่าคนนี้ใช่เมื่อไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรใจอีกต่างหากเพราะไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาคิดจะฆ่าเราเลยเออเรามีความทุกข์ขนาดไหนท่นี่นี่แหละ ต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยเรื่องศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลนะคณะนา่าจะทายาติโยมลูกหลานนะคือเราอย่าไปทำอย่าไปขโมยของเขาเขาอย่ามาขาโมยของเราให้เคารพธิ์ซึ่งกันละกันลูกหลานสามีภรรยาของใครของเขาเขาก็รักสังเวนหวงแหนถ้าเราไปล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาร่วงล้ําเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน อันนี้ก็คือสีนข้อที่สข้อที่4ี่อย่าโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราละ่ะโกหกเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันนี่แหละสี่ข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลยัยสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์แล้วก็มีคัญช่ายฝาิ่นเฮโลอิง โคเคนยาบ้ายาม마อะไรอีกมีตั้งเยอะแยะทุกวันนี้สรุปแล้วถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามถ้าเสพและดื่มเข้าไปแล้วในวัตถุนั้นจะเป็นน้ํำก็ตามจะเป็นเม็ดก็ตามจะเป็นผงก็ตามเมื่อดื่มแลอเสพเข้าไปแล้วขาดสติทําให้สมองปั่นป่วนขาดสติอันนั้นละ่ะไม่ดีทั้งนั้นจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรนี่คือของที่ไม่ควรเสพและไม่ควรดื่ม ถ้าเมื่อดื่มแล้วเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบเทียบว่าของหมือนเมาของเสพที่ขาดสติดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติเนะ่ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับหลังคาศาลาของเราหลังนี้แหลอคือหลังคาสังกะสีกระเบื้องถ้าศาลาหลังนี้ไม่มีกระเบื้องไม่มีสังกะสีมุงเวลาฝนตกลงมา ก็รั่ว เ, เปียกหมดเวลาแดดออ ก, กมาก็อยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนเพราะอะไรเพราะไม่มีหลังคานี่ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราดื่มน้ษษษําเสพเข้าไปแล้วเราขาดจิตคนขาดจิตเหมือนกับบ้านไม่มีหลังคาทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาบระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะขาดติ เพราะนั้นเมื่อขาดจิติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นอยู่ในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีความรับผิดชอบให้ครอบครัวไม่มีความรับผิดชอบในบ้านเมืองไม่มีความรับผิดชอบทุทกอย่างเพราะคนขาดติเหมือนกับคนเป็นบ้าเพราะฉนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้โพธิ์ที่ไรไปที่ไรกล่าวไปที่ไหนหลวงพ่อก็เน้นย้ําเรื่องศีลห้า ข้อศีลทนะ่เป็นศีลคุ้มครองโลกทำให้โลกทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าว่าพวกเรามีศีลศีลทาคุ้มครองเนพะราะนั้นขอฝากไว้กับคณะตัดทา ย, ยาตโยมโลูกหลานทุกๆคนเออเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะให้ศีลให้พรซะก่อนนะ เ, เมื่อสงน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แจกของทีละลึกแล้วก็จะได้แยกย้ายกันไปเลยนะ